แบบนี้แล้วอยากดับทุกข์เนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะคือเราไม่มีความแยบใขในนิมิตที่เกิดขึ้นกับจิตทาง น, นิมิตนี่หมายถึงเครื่องหมายมีอยู่สามอย่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหนึ่งเราต้องแยบไครในในสมาธิ สามอย่างนี่แล้วจะทําให้การบําเพ็ญธรรมนี่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาล้วนๆนะหนึ่งแยกคลายในในสมาธิที่เกิดกับจิตเราสร้างเกียรติโดยไม่สมาธิเราเนี่ยคืออย่าเน้นที่สมาธิโดยตรงปฏิบัติธรรมท่าเน้นที่สมาธิโดยตรงเนี่ยมันจะเกิดความเกลียดคร้านอันนี้แน่นอนเลยเราตั้งใจจะให้ได้อารมณ์อย่างเดียวอารมณ์อย่างเดียวเนี่ย อีกสักหน่อยจะเกียดคร้านคนปฏิบัติทำเวลาสัมผัสอารมณ์มีสติอยู่ไกลระดับหนึ่งแล้ววันต่อมาเนี่ยจะมีปัญหาทนทีเลยคือความเกียดคร้านจะตามมามันต่อมามันหาอันเก่าไม่ได้แล้วเอาล้ทีนี้เพราะมันเน้นไปที่ตัวนั้นอย่างเดียวเน้นที่สมาธิมันมีสามสภาวะหนึ่งเน้นสมาธิสองเน้นความเพียร เน้นความเพียรเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านอย่างที่หลวงตา ย, ยกตัวอย่างให้ฟังพระท่านทํามากเนี่ยแต่มันก็ดับความฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเน้นที่ความเพียรเอาความเพียรเข้าว่าประการที่สามบางคนปฏิบัติทําเนี่ยเน้นตัวเฉยถ้าคนใดก็ตามที่เน้นตัวเฉยเนี่ย ตัวอาสวะมันจะเกาะ อ, อยู่ในจิตเนี่ยมันจะไม่ออกคือมันจะหมกหมมเหมือนน้าที่มันนิ่งๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นตะกรักรนขึ้นมาลิลิๆๆมันจับคือต้องเป็นน้ําไหลที่มันไหลผ่านนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตว่าหนึ่งอย่าไปนเน้นความเฉยสองอย่าไปนเน้นความเพียรสอย่าไปนเน้นสมาธิเอาดูดิแล้วกูไปนเน้นอะไร คือถ้าจิตมันเป็นกลางเนี่ยมันจะอยู่เหนือไอ้พวกนี้ยบางทีเราเน้นอะไรเน้นความเฉยเนี่ยคือเราไม่รู้นะว่าเราเน้นตัวไหนเนี่ยเวลาทําจริงๆเนี่ยคือสามมันพร้อมกันเลยยิ่งดีความเพียนก็สังเกตมีไหมเขาเรียกว่าทำมาวิจัยเกิดการสังเกตนิมิตสามมันเนี่ยของการจะทําเครื่องหมายที่เราเราทําเนี่ยเราเน้นไปทางไหนนะ ไม่ต้องไปเน้นไปทางไหนให้มันถ้าจะเน้นก็เน้นสามันพร้อมกันสังเกตดูเน้นเน้นจิตเราว่ามันมีสมาธิไหมตอนนี้มีสมาธิแล้วเรามีความเพียรต่อเนื่องไหมความเฉยนี่ก็มีไหมคือถ้าเราอยู่กับสามัญนี่แล้วสังเกตจิตเราตลอดเวลาเนี่ยเรารีลึกรู้เนี่ยอาสวะเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกหลุดออกไปจากจิตเราจะเริ่มเห็นสีที่ปรากฏเกิด จิตมันจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นคือไม่ไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอภินิมิตใดอภนิมิตหนึ่งคือเป็นผู้เห็นนะ่ะเดินไปแล้วก็จะเห็นนั่งก็จะเห็นแต่ถ้าเน้นเอาให้ได้อารมณ์อย่างเดียวอย่างเมื่อวานนี้เอาละทีเนี่ยจะเกิดความเบื่อน่ายขี้เกียจขึ้นมาถ้าเน้นความเพียรบุกอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งซ่านมลวงตาจะบอกคนไหนพอจับจุดได้นั่งทำดิ นั่งทําเยอะๆอย่าไปเดินมากในเทปหลงพระเทียนบอกใครรู้รูปรู้หนามแล้วเดินมากๆมันเป็นเฉพาะกรณีนะคือมันไม่ตายตัวอันนี้มันเป็นสมมุติเป็นสังขารนะเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดจากการสังเกตอารมณ์นั่งทําเยอะๆก็ดีนั่งทํานั่งสร้างจิตวิสสองชั่วโมงเอาสองชั่วโมง สามชั่วโมงเนาแต่ต้องสังเกตเห็นนะมันปรุงมันไม่ปรุงมันอะไรพยายามถ้านั่งทําเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านแต่ถ้าเดินทำเนี่ยมันจะฟุง้งซ่านเพราะเดินไปได้เรื่องหนึ่งมากเดินไปได้เรื่องสองได้เรื่องสามไปเลยแต่ถ้านั่งทําเนี่ยมันจะดีแต่ว่ามันก็จะหนาวบ้างมันจะควบคุมความหลับไม่ค่อยได้ถามว่าได้สมาธิจริงไหม มันพอฝนฟุงฟ้งซ่านบ่อยๆฟุ้งซ่านบ่อยถ้านั่งทำเนี่ยมันจะชอบหลับการชอบหลับเนี่ยมันจะค่อยๆมีสมาธิอยู่ในตัวทีนี้ลองฝืนฝืนแค่หลับอย่างเดียวเนี่ยขณะที่ทําเนี่ยฝืนสู้กับความหลับลืมตา ก, กว้างๆแล้วพย้ำแล้ลึกรู้เนี่อ้าวเราบอกเดินมากมันเหนื่อยมันอ่อนล้ามันเพลียมาต่อกันอีสามสี่วันมันเลยไปถึงการันตังตังกานูนั้นเนี่ยก็ ตั้งใจตั้งใจที่ระเ ร, เรกรรู้ให้มันต่อเนื่องแต่ว่าต่อเนื่องนีสังเกตจิตนี่แหละเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนาดูอาการของใจเราด้วยมันก็จะเกิดภาวะการเข้าใจในภาษาที่พระพุทธเจ้าตันใช้คำว่านำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสีย คำว่าความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้หมายถึงอะไรการที่เราใช้ชีวิตด้วยความเป็นอยู่ที่เกิดความพอใจมันมีเงื่อนไขของโลกนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเราเกิดความพอใจความไม่พอใจบางคนคุยกับคนอื่นใจดีนะแต่ถ้าคุณกับคนนี้ใจไม่ดีคุยกับคนอื่น ใจไม่ดีแต่ถ้าคุยกับคนนี้ใจดีมันมีเงื่อนไขมันเป็นอาสวะที่มันสะสมมานานๆนั้นคุยกันไม่เกินสองสาประโยคนั้นเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะดีเลยถ้าเห็นอะไรมันข่มได้โดยเฉพาะมันจะเกิดกับคนที่โทสะเยอะๆอเนี้ยเขาทาอะไรนี่มันจะรู้สึกผิดไปหมดแหละมันไม่ถูกใจไปหมดนะแต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองนะเพราะมันเป็นสันดานฝังลึกแล้ว มันก็เลยแก้ไขไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอันตลักษณ์คือเราไม่เกิดปัญญาพอที่จะรู้หรือไม่พยายามที่จะแก้ไขมันโอ้เราเป็นอารมณ์แบนี้เนาะเราไม่เคยมองกูจะเลิกจากอารมณ์นี้นะชีวิตกูเนี่ยกับไม่ใช่มันไม่รู้จะเอาปัญญามาจากไหนพราะเราการสังเกตมันไม่มีไงเราเน้นแต่สมาธิ นเนเน้นแต่จะสมาธิเน้นแต่จะได้อารมณ์แต่ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดการสังเกตการพิารณาพิเคราะห์สังเกตว่าจะลดละอะไรอะไรคือปัญหาอะไรคือประสักอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างเงี้ยทุกทุกทุกทุกทุกคือปัญหาเห็นไหมว่าปัญหาของเราคืออะไรครง่วงนะเนี่ยปัญหากกูคือง่วงนั่งฟังในกูง่วงแล้วเนี่ยสมุทย มันซึมๆก็เออก็ขาดสติจิตมันไม่ตื่นนะเนี่ยเพลิขาพอทำให้มันตื่นหน่อยมันก็จะหายไปละนี่ยคือมักมักคือวิธีการมักคือเส้นทางเส้นทางทาให้จิตมันตื่นไงจิตมันก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นความห่วงมันก็หายไปคือมันจะไวมากว่านี่ความคิดเริ่มเกิดแล้วนะนี่ความห่วงเริ่มมาแล้วนะคือสติมันไวมันไวไม่ให้ทุกข์มันเข้ามาไง มันตื่นแล้วมันก็อยู่ในขอบเขตของความตื่นตื่นมันก็จะรักษารักษาโลกไม่ให้เกิดอาสาทะขึ้นมารักษาจิตเนี่ยดนั้นความพอใจความไม่พอใจมันเกิดจากไหนเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ ย, ยและ้วเกิดจากจิตนี่แหละทีนี้ทำยังไงเราจะเอาความพอใจและความไม่พอใจในโลก ออ ก, ก็ต้องเห็นเน่เห็นว่ามันเกิดมายังไงมันพอใจนี้เนาะอัจารทะอาทีนวะอาทีนวะเราจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆนะวินัยราโลเกปิชาโทรมรััสเซอันนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ความพอใจไม่พอใจในโลกเนี่ยคือความเห็นความชอบ ความชังที่เกิดจากความยึดติดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางอายตนะเราเนี่ยที่มันชอบเนี่ยยิ่งถ้าหาว่าคนมีสติระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะรอดูว่าเวลาทุกเนี่ยมันทุกใจเนี่ยแต่ก่อนมันเห็นแล้วทีแรกรู้รูปนามคือเห็นใจที่มันบริสุทธิ์นะว่ามันเกิดแบบนี้ปุ๊บแต่ต่อมาในสติมันเริ่มตามออกมาแตามสายมันออกมามันจะเริ่มมาดู ดูว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากอายตนะนั้นมันจะมาเฝ้าอยู่ระดับหนึ่งพอมีสติมันเหมือนแ ม, มงมุมจับอยู่ตัวนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันขึงไข่ออกมานี่มันมาทางตาหนึ่งหือจมูกลิ้นกายมันสัมผัสพอดูปุ๊บเออดูอันนี้แล้วรู้สึกกูเกิดอารมณ์นะเนี่ยดูอันนี้แล้วรู้สึกเป็นทุกข์นะถ้ากูมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะเนี่ยรู้สึกใจมันซึมเซานเนี่ยเราก็เริ่มเฝ้าแล้วเนี่ย ก็สังเกตดูตรงนั้นคือดูอาการที่มันอะไรมันมาจับตรงไหนเนี่ยเมงมุมมันอยู่ตรงนี้แต่มันก็จะจับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดังนั้นเวลาเราได้อารมณ์เราจะสังเกตออกมันจะดูความพอใจและความไม่พอใจอาสาทะเนี่ยอาสาทะคือความติดยึดมันจะเริ่มดูแล้วความติดยึดสายหนึ่งมาทางตาออพอสารวมแล้วก็สารวมแต่พอสำรวมไม่ได้ก็คือจะเอาวา น, นี้ดูดูแล้วมันจะเกิดอารมณ์ยังไง มันมาอย่างไงมันไม่พอใจอะไรยังไงดูมันดิดูมันโดยเฉพาะความพอใจกับความง่วงเนี่ยบรรยากาศนี้ทำไมมันอ่อนแอจัง่ะดูมันดิมันทำงานยังไงมันดับมันเกิดยังไงอ่ะดูมันคือต้องมีวิริยะอย่างว่านะวิริยะก็คือเน้นมันกันเน้นสามมันเนี่ยหนึ่งสมาธิสองวิริยะสามเฉยเพื่อตัวอวขา คือคนได้อารมณ์มันจะมีภาวะนี้แล้วมันจะจมเข้าไปในอันใดอันหนึ่งแล้วมันทำให้สิ่งที่เกาะอยู่ในจิตมันไม่ออกภาษาพระเขาเรียกว่าอาสวะเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลาย mm hmm. เพราะส่วนมากเราจะเน้นที่ความเฉยความสบายเน้นมันก็เลยไม่เห็นคือเอาพออยู่ได้นะปฏิบัติพออยู่ได้ถ้าพออยู่ได้มันมันไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้ ต้องเห็นอะไรเรื่องเล็กเล็กเล็กน้อยเนี่ยเป็นทนี่ต้องเขี่ยออกให้ได้ดูนเนี่ยอันนี้พวกเถอทั้งหลายเนี่ยอาศัยลุงตานะเป็นสติถ้าหลุดตามมนั่งอยู่ในกุกขอกัวโวยแต่พอไม่มาแล้วสายพ่อใครพอมันนะดูทีวีก็ดูไปในะให้เทศอยู่คนเดียวงั้นแหละนะคนนั่งไม่น ถ่ายวิดีโอไว้แล้วเอามาดูกันลองดูดิดูพระดูโยมเนี่ยแล้วเอามาฉายตอนกินข้าวเนี่ยอใครท่าทางเจ๋วกว่ากันนะ่ะแล้วมันจะอยากอาเจียนฮุกกูปานนีเหรือเดี๋ยวนี้คือเราใส่ยัเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเราสติมันไม่เห็นไงแต่คนอื่นนั่งดูดิมันโอ้ยไม่รู้จะไหวอย่างไรเนาะอ้าวไปแล้วไปโอ้ยพอมานฏิมันกรลงมาเนี่ยโอ้ล้มลงหน้ามาก ดีขึ้นมาก็เฉยมันมีสปริงมันในตัวเพราะจิตเราไม่เกิดการสังเกตไงทำวิจัยมันไม่มีแต่ถ้าสังเกตอยู่เรื่อยๆมันไม่นาหรอกถ้ามันตัดตัวนี้มันไม่ขาดนักขณะที่ทําเนี่ยเวลาออกไปเนี่ยเขาจะส่คือยังอยู่น้ำมือยังอยู่น้ำมืองไม่ออกไปนะออกไปเวลาเดินจุกกรมเดินไปสักพักหนึ่งเขาจะจัดการกับมันไอ้เนี่ยคือเหมือนสมาธิมันเหมือนไฟลนอยู่ตลอดเวลานะถ้ามันไม่ไหมมันต้องไหมต่อหนึ่งจนดีแหละ ตัวห่วงนี่มันต้องไม่อยู่ดีตัวคิดเหมือนกันเรื่องนี้คิดมาตั้งต่วานี้ยังไม่หลุดนะเนี่ยมึงยังไม่อยู่มึงยังอยู่อยู่นะเอากูจะลุดมึงไปเรื่อยกูจะรู้สึกไปเรื่อยมึงไปไหนเนี่ยคือไม่ได้ใส่ใจเลยอยู่ในนี้เหมือนไม่มีคนเลยแต่มันจะใส่ใจตัวนี้จิตมันจะสติมันจะจี้อยู่งั้นเนาะจะสังเกตเห็นลึกมันจะมีอันนี้นะก็พระพุทธเจ้าว่าเหมือนเหมือนช่างตีเหล็กนะ ช่างทีเหล็กเนี่ยเขาจะรู้จักว่าตอนนี้เหล็กเขามันเป็นยังไงมันมีสนิมหุ้มเต็มไปหมดเขาไปในไฟความเพียนคือเขาจะขยับขาอย่างไงเนี่ยเ mm hmm. ็เห็นไหมเขาตีเหล็กเขาทำเนี่ยเพราะพูดอย่าว่าช่างทำทองทำเงิน mm hmm. เขาจะเผาเขาจะเผาไฟเนี่ยเผาจังหวะหนึ่งเขาจะใส่น้ำเมื่อวานมิยมอยากพาไปดู ร้านทาทองเขาลงตาวะยังไม่ว่างคื อ, อย่าไปดูว่ามันเหมือนพระพุทธเจ้าพูดไว้ไม่ทีหนึ่หนึ่งดูความร้อนสองมีความเพียรความเพียร น, นี่เขาจะเล่งจังหวะเ น, นี่ยอันนี้เขาทำอะไรเนี่ยเป่าลมนะเนี่ยขาเขาเป่าลมบางทีเขาเขาจะจับมือไปดูที่พมา่าดิบ้านหมู่บ้านตีเหล็กเขาเนาะ ดึงฟ้าปูบะปูบะมันจะดึงมันจะหนีเขาเนคือจังหวะถ้าเราไปเร่งมากมันขาดออกไปเลยนะมันพอดีสมาธิมันก็พอดีอ่ะแล้วมันจะสนิมมันจะหลุดออกไปของมันเองเนะ่ยเขาจะรู้จังหวะในขณะที่เขาใส่ใส่น้ําเอาน้ําใส่จังหวะที่ควรใส่น้ําเขาก็จะใส่น้ำํำจังหวะที่เขาดูเฉยๆก็จะดูเฉยๆดูจังหวะมันได้เนื้อหรืออย่างเขาจะทําอะ แลพ่อเล้ยงท่านเสร็จเขาเสร็จก็ไปในหมู่บ้านทองท่านจะดูแบบเนี้พวกช่างทําทองท่านก็ดูจังหวะมันเนี่ยนะของเราเนี่ยเรามีแต่อันนี้แต่ว่ามันไม่สังเกตในทองที่มันไหม้หรือยังเนี่ยมีแต่มันม่วงมาก็แล้วมันจะเกิดอะไรคือมันต้องสังเกตทั้งสามมันเนี่ยครอบคุมกันน่ะพอได้ยินเสียงแววแววเห็นหมามันวิ่งมานึ่ว่าอาจารย์มา ตราก็เหมือนเดโอ้ยมันไม่ได้กินนาจ๊าดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกกิเลสมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ดูไม่ออกนะมันต้องดูมันต้องสังเกตคือตื่นมาแล้วต้องเสกเกตนะนั่งอยู่เฉยเฉยมันก็ตื่นเนี่ยมันอยู่กับความเพียรแล้วเนี่ยอยู่เฉยเนี่มีความเพียรอยู่กับสมาธิแล้วก็อยู่กับเบิกขาไปในตัวมันเป็นพลังแบบหนึ่งแต่ไม่ให้เน้นตัวใดตัวหนึ่งคือมัน พร้อมกันมันรวมบิดเข้าเรอวๆมันแหลมแหลมคมแหลมคมแหลมแทงไปอย่างเงี้ยสามอันเนี่ยแต่ถ้าเป็นอันในอันหนึ่งเนี่ยมันไม่แข็งแรงนั้นเราก็จะเห็นมันอาการที่มันเกิดดูอยู่เรื่อยๆรืยๆรืย ๆ, ๆความพอใจและความไม่พอใจในโลกเนี่ยมันเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยสิ่งที่เข้ามาทางอายตนะ เข้ามาทาไหนก็ตามมันเข้ามาในใจนี่แหละสิ่งที่มันมันติดอกติดใจเนี่ยมันฝังคือมันเหมือนมันมีเชื้อมาข้นเขาเรียกว่ากิริที่มีเชื้อมันเชื้อมันอยู่ข้างในถ้าสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนเนี่ยมันมีเชื้อมันฝังอยู่ข้างในพอมาเจอกันเอามันขึ้นมาอีกะไรเนี่ยมันมีเชื้อรักหน้าตาใครมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ข้างในพอมันเจอมันเป็นอีกแล้วเนี่ยนี่มันมีเชื้ออยู่ข้างในอันเราก็ดูมันว่ามันชอบอะไนมันชังอะไรก็สังเกตดูพอใจไม่พอใจ อะไรก็ตามวัตถุสิ่งของหรือโลกนี้ทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็สังเกต ด, ดูมันอะไรก็ตามที่ทำให้จะทำให้มันห่างไกลมันพ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่านิสสานะคือการคลายออกอะไรอย่างเราก็สังเกตสังเกตดูโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะ คือจริงๆถ้าคนเข้าใจเนี่ยเวลามันพูดง่ายคือคนมีปัญญามากเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกตัวอย่างเดียวตั้งใจเถอะคำว่ารู้สึกตัวเขาเข้าใจทั้งหมดเลยทั้งสมาธิทั้งอุเบกขาทั้งความเพียรคือเขาเข้าใจแล้วเขารวมเป็นหนึ่งแล้วเขาขยันทําเนี่ยไอคนที่ซื่อๆตรงๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ยนะแล้วเขาทำไปแนละ้วมันทําถูกนั่นแหละ <S <S <S เขารู้เรื่องมากที่สุดแหละนะั่นแหะมันพูดน้อยแล้วเขาเข้าใจเลยเลยแต่บางคนมันต้องพูดเยอะ ประเด็นนั่นประเด็นนี้โยงโน่นโยง น, น, ยงนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่รวมมันไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เขาบอกว่าเอกคตารมนะคือจิตมันมีพลังที่สามารถไปทำลายกิเลสได้แบบหนึ่งเดียวทั้งศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันดูไปพร้อมกันเลยนี่ดูกายด้วยดูเวทนาด้วย ดูจิตด้วยเนี่ยเราดูเนี่ยคือสมาธิมันมีมันมีไฟอมันจะดูคือกายเวทนาจิตทำก็เหมือนเสาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กายเวทนาจิตทำถ้าดวงตาดูเสานี้ดวงตาก็จะเห็นเสานั้น <c oughs> เห็นเสานั้ น, เ ห, น, เ, น, นเห็นเสานั้นด้วยแต่ว่ามันจะเห็นเสานี้ชัดกว่าเพื่อนเนี่ยเสาอื่นก็เห็นถ้ามันขยับเนี่ยแต่ว่าเสานี้มันจะชัดเจนจะได้รายละเอียดในเรื่องเสาของเสานีน้ถ้าดูคนนี้คนในสลาเนี่คนไหนก็ตามที่ลุกเนี่ย เราเห็นนะพราะเราอยู่ในในโหมดของอันนี้เหมือนกันเวลาดูกายนี่เห็นไม่เวทนาเห็นจิตเห็นไหมเห็นมันคิดมันไม่คิดมันเฉยก็เห็นนะเนี่ยแต่รู้สึกอั น, นี้มันมากเพราะเราใส่ใจกับ น, นี้ทมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมะเนี่ยธรรมชาติของจิตอารมณ์ธรรมะแบบหนึ่งนิวรมีไหมนิวรมีไหมเราก็สังเกตดูห่วงมีหมเบื่อมีไห ม, ม, ไหมขี้เกียจมีไหมขันห้า เห็นไหมนี่ยขันห้าอุปทานมีไหมอุปทานในขันห้ามันมายึดไหมยึดรูปไหมยึดเวทนาไหมยึดสัญญาไหมยึดสังขารคือสังเกตนี่เดียวมันก็เห็นแล้วทีนี้ในขันห้ายึดรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารเนี่ยมันออกไปทางไหนนะ่ะปัญหามันเกิดมากๆของกูคือตาปัญหาของกูมากๆคือความคิดปัญหามากๆคือมันชอบแสบไปตั้งหงส์ก็สังเกตโอ้เริ่มรู้แล้ว อาสะวะเราเริ่มอยู่ทางนั้นทางนี้เริ่มจับทิศทางได้แล้วะทีนี้ก็เราเริ่มดูพอพอเรารู้จักโอ้พอเข้าใจพอเข้าใจนี่มันก็ขาดพึ่งไปเลยมันจะหลุดพวกล่พอหลุดพวมันก็จะเกิดปีติขึ้นมาเออบอิ่มโล่งโปร่งขึ้นมานะนะอ๋อธรรมอารมณ์ทีนี้ตัวธรรมอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมันเริ่มหายไปหายไปแล้ะมันมาเป็นธรรมอารมณ์ฝ่ายดี อารมณ์ที่มันเป็นธรรมะคือธรรมชาติมีสองฝ่ายธรรมชาติฝ่ายกุศลกุศลาธรรมอันหนึ ies, ma, a a ่งอันหนึ่งอกุศลาธรรมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาอภกตาธรรมาเป็นเาสวดันมธรรมกุศลสสิสมยมาเจังสัิตังปะนังหสมณสักตันสมุจังรูปะระมังวสัตะระมังวสเขาพูดเขาสวดเขาว่า กุศลาธรรมะดูนะดูนะธรรมะเริ่มเกิดแล้วเห็นธรรมแล้แต่ถ้าดูกายยังไม่ชัดเจนเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับธรรมารมณ์เวทนาก็ยังเอาไม่อยู่เนี่ยยังสำคัญกูยังเจ็บกูปวดกูเมื่อยกูพอใจไม่พอใ จ, ใ ม, อใจมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะตัวนั้นยังไม่เกิดต้องปราบตัวนี้ให้ได้ก่อนคนบอกว่าโอ๊ยเดินมากไม่ได้เรปวดเข่าปวดขานั่งทํานั่งทําได้ไม่จะเป็นต้องไปเดินนะ เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนทำนอนบิ๊งไปพิงมาต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่หลับได้ถ้าหลับก็มีโอกาสดีคือต้องฝืนฝืนกับการหลับได้ทวนกระแสได้อูจะได้สู้กับการหลับด้วยการนอนละทีนี้อใครดีใครอยู่นะเนี่ยต้องฝืนต้องรู้สึกว่าต้องฝืนได้ฝืนได้แล้วทำเลยยืนเดินนั่งนอนเราทำไม่ยืนเนี่ยไม่ได้ทำ นั่งทำไหมนั่งทำบ่หลับเดินเดินก็หลับยืนเดินนั่งนอนการคู่การเหยียดอวัยวะอะทีนี้คู่เหยียดอวัยวะคู่เข่าเหียดออกรู้สึกตัวแต่ว่าต้องสังเกตมันไปด้วยไม่ใช่แต่อยู่แต่กายนะนั้นกายเวทนาจิตธรรมดูเหมือนดูเสานี้เห็นเสาสองเห็นเสาสาไปเลยในตัวคือกายเวทนาจิตธรรมารมณในส่วนหนึ่งคือรู้มึอา้าวมันไม่มีพวกนี้นะ ตัวธรมรมลมแต่กลับเป็นตัวปีติเป็นตัวสมาธิ เ, าธเริ่มปราเกิดขึ้นเริ่มเป็นความใสสว่างความกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตเอ้าโกรธมันไม่มีนี่โลภไม่มีเอ้ยใจมันว่างๆนะทีนี้มาดูว่ามันเกิดยังไงโกรธนะ่ะมันคดอ๋อมันไม่มีเลยมันไม่เกิดเลยมันไม่เกิดก็ดูไปเรื่อยๆเอาสบายแล้วทีนี้แต่จะเป็นเน้นไปที่ตัวสบายนี้คือเป็นตัวดูดูสมาธิดูความเพียรต้องต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ, ๆเหมือนขาเนี่ยดูไปเรื่อยๆเขาไม่ได้หยุดนะ ถ้าเขาไปดูไฟนี่มันจะดับนะนั้นเขาจะสูบลมอยู่เรื่อยๆขาเขาเนี่ยสูบลมอยู่เรื่อยเนีเาก็พลิกไปพลิกมาเขาให้ไม่ได้น้ําได้เนื้อเนี่ยช่วงที่เขาใส่น้ำํำก็จะใส่สังเกตเขยับไปเรื่อย ๆ, ๆคือเขาไม่หยุดสักกันแต่ส่วนมากเวลาเราทําเราจะเพ่งไปที่จิตอย่างเดียวนี่นะความเพียรในการสังเกตมันก็เลยน้อยไปเน้นที่สมาธิมากท่านดูให้มันเห็น ดูจนทางว่าเออความพอใจความไม่พอใจมาเริ่มเฉยแล้วปรากฏกันเขาเขาด่ามาเนี่ยเราจะเริ่มพอใจกับโลกละโลกายตรนะนัโลกที่เกิดทางอายตนะโลกโลกะวิสัยนะการที่จิตเราที่มันมีความผูกพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนยทีนี้ต้องให้เป็นอะไรเป็นโลกะวิทู ผู้รู้แจ้งโลกผู้รู้แจ้งโลกตามวามหมายของพระพุทธเจ้า ก, ก็หมายถึงโลกคือกายอันกว้างสอกยาววานาคืบโลกคือทุกข์โลกคือทุกข์ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีโลกไม่มีเราก็ไม่มีโลกเมื่อไหร่เราคลายความพอใจไม่พอใจในเราในสิ่งที่เกิดกับอายจันทรของเราเนี่ยออกไปได้ชื่อว่าเรา สิ้นความพอใจไม่พอใจในโลกนี้ได้มันหายไปแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือทุกทุกอย่างที่มันเกิดโลกรักโลกชังโลกแห่งความคิดโลกแห่งจินตนาการโลกอะไรก็ตามคือมันเป็นโลกที่เกิดจากโลกตัวนี้โลกจากอวิชชาสรุปแล้วเนี่ยอย่างวาระเด็ดของหลวงูเทศเทศลังสีเนี่ยเป็นวาจาอมตะคือ สิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมคือหมายถึงว่าดับความพอใจมีความไม่พอใจในโลกโลกมันดับไปแล้วมันไม่มีโลกแลนะแต่มันเหลือธรรมไม่ใช่ว่าโลกดาวเคราะห์นี้มันดับไปแล้วเหลือธรรมมากอยู่มันไ ม, ม่เหลือหรอกนะฮโลกกับธรรมก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโลกกับธรรมก็อันเดียวกันเหมือนกันไม่เหมือนกันแก็แล้วแต่จะพูดในประเด็นมุมมองไหนใครอยู่ตรงไหนก็พูดแมวนั้นนั่นเอง แต่ว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือรู้ตัวเราเนี่ยตัวเรานี่คือโลกคนบ้ามันเป็นโลกของคนบ้าโลกของความคิดโลกของความปรุงแต่งโลกนั้นโลกนี้โลกของเด็กโลกของผู้ใหญ่นะโลกของอินของพรอมของเทวดาของเดรัจฉานของอะไรรวมอยู่ในเรานีนหมดเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นโลกกับวิธีรู้อันนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแต่สรู้เนี่ยคําเมื่อรู้แจ้งโลกคือรู้ดาวเคราะห์รูกโลกกาแล็กซี่รู้รู้ อะไรนะของพรหมรู้จักรวาลรูไม่ใช่อันนั้นคือเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้นะแต่ก็คิดว่าพระพุทธเจ้ารู้อันนั้นจริงๆตัวเองนะไม่รู้ใจพระพุทธเจ้าเราไม่รู้พอเราไม่รู้เราไปพูดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ใต้ดินใต้น้ำด้วยนะว่าอันนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้ตถาคตความรู้ตถาคตเหมือนใบไม้ในกํามือ เหมือนใบไม้ในกำมือไอเปมนใบไม้ในป่าใบไม้ในกำมือในความรู้ที่ที่จะดับทุกเหมือนใบไม้ในกำมือแต่ความรู้ที่ไม่จะเป็นเหมือนความรู้ในป่านั้นแต่ถ้าคต์รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็หมายว่าไอ้ที่มันเกี่ยวกับการดับทุกท่านรู้หมดทุกมันเกิดตรงไหนนี่รู้หมดท่านอุปมาว่าเหมือนความรู้นี่สามารถนับเม็ดฝนได้ ที่มันตกในท้องฟ้านี่ทั้งหมดนับทันในความหมายก็คือมันรู้เท่าทันความคิดทุกอันไม่ว่ามันจะเกิดซอกไหนมุมไหนอย่างไรนี่มันรู้เท่าทันหมดคือหมายว่าก่อนที่มันจะรู้เท่าทันแบบนั้นคือมันมันดับได้ดับได้ดับได้ไปเรื่อยเเรื่อยเรดับเฉยๆน้อยๆเหมือนพวกเราเนี่ยใหม่ๆในความคิดมันหือมาเลยไม่รู้มาทางไหนแต่พอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วมันจะสั่นเข้าสั่นเข่าความคิดจะเฉพาะเป็นกลุ่มเป็นอัน ผมเหลืออันนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกเนี่ยเห็นไหมมันจะสั้นเข้าความเป็นพุท ธ, ธะนี่ยมันจะเริ่มสลายลงสลายลงสลายลงสลายตัวอัตตาตัวตนมันจะเหลือเรื่องอทีระน้อยๆไอที่ในน้อยที่อยู่ในใจเนี่ยเป็นอาสวะเป็นอาสวะเป็นอนุใสเป็นความคิดที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตติดอารมณ์มาเนี่ยมันไม่ค่อยออกหนึง่งสามกามาสวะกามานุใส การมนุษย์ใภาวานุษยสอวิชานุษย์ใส์ทิตินุษยสราคานุษย์ใอนุสัยคือสิ่งที่มันนอนเนื่องในใจในหนึ่งอารมณ์กรมการมราคะเนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจเรามันไม่ค่อยมีหรอกอยู่เงี้ยแต่นานนานทีมันแวบขึ้นมานเฉยเฉยมันก็ไม่มีแต่เราสามารถทำลายมันได้ไหมมันไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยมันไม่เกิดอนาคามีมัศคานอนาคามีผลเนี่ย ภาวะอะไรมันสลายไม่ออกงั้นคนจะพออยู่ได้พอเป็นมันก็ลาคาญอยู่ดีแล้วมันก็ทําลายเราอยู่เลยเราต้องมีอารมณ์พัฒนาตัวรู้สึกตัวเนี่ยโยถ้าได้มีดอีโต้ของพระอนาคามีมาฟันมันกล้ามนุษย์ใ ร, ราคานุตใสทิทฐินุตใส่ทิทีททไอความมีทิฐิส่วนตัวเนี่ยนักบางคนเขาจะน่ากลัวไม่เคยออก ทิฏฐินุสัยเป็นทิฏฐิเป็นมานะอกูรูก้กูเก่งกูเข้าใจกูดีกว่ามึงหรือบางทีก็ยึดมัน่นหรือมั่นในความรู้ที่ตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจทีนี้คนอื่นถ้าเห็นต่างไม่ได้คัดแยง้งไม่ใช่มาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่มันเข้าใจผิดอัเนี่ยแสดงแต่ทัศนะตัวเองออกไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐินุสัยอันนี้ก็ฝังรากรึกอยู่ในจิตเราเหมือนกันนะ มันไม่ออกมีไหมพวกเรามีไหมวิริธรรมเนี่ยใครพูดอะไรนะั้นไม่ได้เลยอยากเดินไปหาสอดเข้าไปแล้วจิตเนี่ยต้องแสดงทัศนะความคิดความเห็นจริงๆมันก็สมมุติเฉยๆมัสมมุติเฉยๆมันบ่งบอกว่าในจิตคุณมันยังไม่สะอาดมันยังมีอาการนั่นเนี่ยกระทบทางตาทางหูก็คือมันยังพอใจในโลกอยู่พอใจในโลกคำามาโล ก, กคือพอใจในสิ่งที่ผัสะนี่แหละ ทางอายตนะเนี่ยแล้วมันวูบขึ้นมาเนี่ยการมนุษย์ใ่ทิฏฐินุษย์ใอวิชานุษย์ใอวิชานุษย์ใก็คือไอความรู้สึกตัวเนี่ ย, ม, ย, ยมันลืมอยู่เรื่อยมันลืมอยู่เรื่อยเนี่ยเดินไปหน่อยเอาร ล, ลืมแล้วบางคนเอาไม่ได้เก็บอารมณ์ก็ได้ได้เดินไปเดินมามันเป็นสมาธิเองว่าอย่าคุยหลาย มันต้องให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆมันต้องมีความเพียรจริงมรรคผลนี่มันไม่ง่ายมันต้องชัดเจนอเนี้ยถ้างั้นวันวันหนึ่งมันจะอยู่กับความคิดมันจะไหลไปหรือไม่ก็อยู่กับรูปมันเริ่มเป็นรูปปราคาอรูปปราคะจิตเนี่ยมันมีหนึ่งไม่การมราคก็รูปปราคอรูปมราคะขึ้นมายว่าเขาไมพอใจมันที่ก็พอใจกับอะไรอ่ะ พอใจกับกามจิตเนี่ยบางทีก็พอใจกับรูปกับรูปอะไรเราทําอะไรสักอย่างจิตแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นสมมติเราทํางานอันนี้เนาะเราทำโต๊ะวันมาหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับราแต่มันอยู่กับโต้อะเนี้ยอยู่กับพอใจอันนี้กับรูปอะเนี่ยอยู่กับรูปบางทีก็พอใจอยู่กับอารูปคือสิ่งพอใจกับลามยศสารเสร์ชชื่อเสียงพอใจกับอารมณ์สบายสบายอะไรสักอย่างน่ยมันเค่จะอยู่ประมาณเนี้ยแต่มันต้องอาศัยเครื่องหมายนี่ยเป็นตัวยึด มันมันไม่ใช่ตริยะกันสมาธิคือไม่ใช่สมาธิที่มันเป็นปัญญารอบขึ้นมาแล้วมันเข้าใจแล้วมันเกิดอาสาทะอาทีนวะนิสระณะคือมันออกจากทุกข์ที่มันยึดติดได้แล้วมันเห็นเหนื่อยหน่ายเห็นโทษของทุกข์ของความปรุงแต่งของอะไรแล้วไม่ใช่เราไปเกาะไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคือต้องให้มันเกิดปัญญาตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทําก็เอาเห็นไหมเนี่ย อาการที่มันเกิดเนี่ยดูยังไงที่จะเห็นตัวตัวกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราดูแบบกายเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตัวอ น, นิจจังทุกขังนาตาเหมือนกันคือเมื่อไหร่ที่เห็นความคิดบางคนลงตาโยมโลกเห็นความง่วงมันดับแล้วเออมันนี่อ น, นิจจังน้อยหนึงแล้วมันเริ่มมีแล้วเดินทางมาถูกไม่เอ้าถูกแล้วสังเกตไปเรื่อยๆที่นี่เห็นอ น, นิจจังเยอหน่อยก็จะเห็นทุกขังละนะนะ ทุกครั้งทุกครั้งคือมันทนในสภาพเดิมมันไม่ค่อยได้คือใครพูดประเด็นไหนมันก็เข้าใจรู้ว่าเออคนนี้แสดงลักษณะให้ฟังก็เออเขาเ ข, ข, ข้าใจครับระดับนี้นเนาะอยู่แบบนี้แต่ว่ามันไม่เกิดญาณทัศนะเนี่ยปัญหาของมันความเพียรมันน้อยไฟมันน้อยเนี่ยพอได้อะไรก็ไปวิ่งหานั่นลืมทําความเพียรในนี้ซะส่สองหานี่แต่มันไม่ขยับเขนี่นี่ น, นันไม่ขยับ มันจะไม่เพลาะเหมือนมือกลองที่เขาเล่นกลองกลองชุดนะนะเขาตีทุกอะไรมือเขาก็ขยับอยู่นี้นให้มันไปพร้อมกันเลยการดูการเห็นกันอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งถ้างั้นมันจะเพลาะได้ยังไงสมาธิเนี่ยทุกมันจะออกเหรอถ้าเราไปตรงนั้นมันก็มาลบตัวนี้พอไปยุ่งตัวนี้มันก็ไปลบตรงนั้นเนี่ยมันลบไปอยู่นั่นเนี่ยมันต้องพร้อมกันมันมาทั้งหมดเลย บางคนว่าโอ๊ยปฏิบัติทําแล้วมันไม่คอยก้าวหนะ้ามันไม่ก้าวหนะ้าก็ช่างมันเอาใหม่ดูใหม่ดูให้มันละเอียดไปฟังครั้งหนึ่งฟังสองครั้งฟังสามครั้งไปให้เขาเข็นให้เขาดูดูทุกวันดูทุกวันเนี่ยปฏิบัติเปรียบเทียบกันเอา้ามันต้องขยับขึ้นเลยจิตนี่มันต้องมีมุมานะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นกิเลสอยู่ทั้งในเนี่ยโอ้ยคําว่ามันไม่ก้าวหนะ้าคือมันไม่ออกสถีตัวนี้ไม่ออกคุณต้อง เผามากๆคำความเพียรคุณแต่คุณก็จี้ไปตอนนั้นให้มันมีสมาธิดีๆนี่เนี่ยมันต่อสายไปอันนี้มันสูบลมมันวูบวาบเขาขาทับเป่านะเขาจะจี้มันเหมือนหัวเชื่อมนะเนี่ยจี้ไปตอนนั้นน่ะเผานี่เขาสังเกตเราไปเห็นอะไรเนี่เป็นโอปะนจิโก น, น้อมเข้ามาใส่ตัวเองน้อมเขามาใส่ใจโอ้เขาทําบบนี้เหมือนกูทําสมาธิเลยเนาะกูจะทําเหมือนเขานี่นะเนี่ยมันก็ดูออกนะเฮ้ย เสียงตําครกเนี่ยเนยมันตําครกปะปะปะฮู้เหมือนสมาธิเลยเนาะทำเมื่อไหรที่มันตําถี่เข้าถี่เข้าแสดงว่าสมาธิมันเริ่มต่อเนื่องละแต่ตําปอกหลับตําปอกหลัมันไม่แหลกนเนี่ยเขาว่าโอ้คนแบบนี้เอาควาเป็นที่พึงมาเนี่มันตํมห่างห่างเนนะแต่บางคนพวกตําเร็วๆเนี่ยใจมันแสดงว่ามันเอาใจใส่มากนะแต่บางคนตําพวกพวกอระวังนะโทสะไอ้นี่ ก็จะสังเกตเอาลองฟังเสียงครกมันดูดิสมำเสมอไหมความหนักเท่าเดิมไหมความเร็วเท่าเดิมไหมเหมือนกันนะ่ะการทําความเพี้ยนก็ประมาณนั่นแหละความเพลยวเท่าเดิมบางคนถ้ามันง่วงก็ถือไปถือไปคือบางทีมันไปเจอก้อนใหญ่ก็ลงหนักบ้างตามหนึ่งแรงบ้างเนี่ะ ทำมาแลกแล้วก็ทำมาได้มันสมมาเสมอไปเรื่อยๆๆๆมันเหมือนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าวันทีมันท้อถอยมันอ่อนล้ามันเบื่อมันได้มันก็เลยเอาไปมาก็ทําลายโลกไม่ได้เนื้อคำว่าโลกในความหมายหนึ่งก็คือพบนั่นแหละพบภูมิของจิตที่มันอยู่เนี่ยเราทําลายพบภูมิแม่มันชอบติดเรื่องนี้มันชอบคิดเรื่องนี้ชอบผูกพันกับเรื่องนี้มันไม่ออก อย่าที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยการมาพบรู ป, ปรพบอรู ป, ปรพบการมานุษไสปวานุใสวิชานุใสอวิชชาตัวหนึ่งนะอวิชานุใสเนี่ยมันดับยากในความหมายที่มันลึกๆจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่พูดเมื่อกี้อวิชานุใสก็คือหมายความว่าอย่างคนที่ดับรู้แจ้งรู้รูปนามรูปธรรมนามรู้เรารู้รูร้ใจ ร, ร, รักรู้สมมติขึ้นมาระดับหนึ่งมันก็ยังเรื่องปรมัทิตย์ ยังเรื่องของการเกิดถ้ารู้แจ้งเรื่องโสดาบันความเป็นส่วนตัวคือการรู้แจ้งภาวะอันนี้ได้ดับสักยะทิฏฐิจิจิจสาลีสีรับประทับประม่าเราดับความง ม, มงายดับความยึดติดพวกนี้หลุดออกไปความสําคัญใหมาในตัวตอนออกไประดับหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอาวิชานุใส่เนี่ยมันจะอยู่ในภาวะที่สองของอสกิธาคามีคืออารมณ์ที่สูงขึ้นไปน่ยอนุใสยมันไปอยู่ตรงนั้นอวิชาเนี่ย เอาชื่อคือยังไม่รู้แจ้งเรื่องนั้นแต่รู้แจ้งเรื่องนี้ทีนี้พอไปทําทําไปเรื่อยๆไปรู้แจ้งเรื่องนั้นแต่ก็ยังของอนาคาสมีทําได้นี่ก็ยังเป็นของอนาหาันคือขยับขึ้นไปอวิชานุสัยเนี่ยมันคือถ้าดับมดทีเดียวปุ๊บก็คือหมดกิเลสอาสวะมันไม่เหลือแล้วในใจคือมันไม่มีแล้วในใจหล้วก็ถือว่าเออเราเข้าไปถึงแล้วภาวะ น, นั้นถึงภาวะ น, นั้นแล้ววิชานุสัยจึงจะหาย แต่ทิฏฐิทิฏฐิเหมือนกันเลยตัวทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแบบรอบจัดจริงๆก็คือการเห็นทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นสัพเพธรรมานาลังพินิเวศายะรู้แจ้งแต่การรู้แจ้งในระดับพระโสดาบันเนี่ยมันก็เป็นมรรคเป็นผลในส่วนนี้แต่สัมมาทิฏฐิมันยังไม่สมบูรณ์นั้น มันเป็นทิฏฐินุใสคือมันจะดองอยู่ในจิตเราอะอนุสัยพวกนี้การมานุใสภาวะนุใสวิชารูสึกภาวะภาวะนุใสมีไหมก็คือมันชอบไปอยู่เรื่องนั้นคือมันเป็นความหมายเดียวกันหมดน่ะไอเนี่ยถ้ารู้สึกตัวอย่างเดียวมันเข้าใจทั้งหมดถ้าไม่รู้สึกตัวมันมืดไปทั้งหมดน่ะคำสอนจะทําไมมันเยอะจังลปมื่นสี่พัพระธรรมขันธ์ตัวนี้ตี้จริงจริงมันไม่เยอะหรอกมันเป็นอันเดียวท่านพูดเรื่องเดียว พูดเรื่องทุกแต่ถ้าพูดหลายแ ง, ง่มุมเฉยๆปฏิฆานุใสอันหนึ่งมันชอบปฏิฆาเจ้าหูนิดแล้วเราก็ไม่ทันทันมันอนะบางคนหลายวันปฏิฆะปฏิฆานุใสนะเราพูดกันให้ฟังเนี่ยบางทีเราชอบพูดเรื่องที่มันจะทําให้คนงูนิดอยคุยไปคุยมาเลยคุยกันเมืองละเสื้อแดงเนะสื้อเหลืองนะ เสื้อน้ําเงินเสื้อมอฮอมจะต้องยืนน่น น, น, น, นั้นนั่นยื่นดีกงดีกานั่นนี่แน่อันนี้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมปฏิฆะนุใสเนี่ยคนที่เขามีอารมณ์อย่างนี้อยู่แล้วนี่แล้วมาใส่ให้เขาเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเราจะส่งเสริมเราไปยุ่งกับปฏิฆานุใสมันจะเริ่มเกิดอารมณ์ข้างในข้นางใ น, นฉนั้นการพูดการคุยอะไรก็ตามที่จะทําให้ <c oughs> จะทําให้เกิดการไอเนี่ยเราก็หยุดซะ จิตบางทีมันกำลันนนนตงตื่นนะเนี่ยจิตกำลังตื่นมันเหลือนิดเดียวน่ะบางทีดวงตาทิง้งกรรู้แจง้งแต่ดีเลยตื่นแจ้งนะท่านก็ชัดเจนทีนี้ท่านบอกว่าท่านรู้แจ้งเพราะได้ยินเสียงกระทถน <c oughs> จิตมักเลยตื่นขึ้นมาก็เลยไปตั้งสํานักสํานักอะไร <c oughs> ไม่ต้องไปทําอะไรอยู่ที่เฉยๆแล้วฉันจะข้อกระทถนให้ <c oughs> <c oughs> มันก็กลายเป็นสำนักกระโหนวิปัสนาแบบนั้นก็มีนะนั้นบางคนไปทํานี้แล้ลึกรู้กายแล้วลึกรู้อาการกายพอแล้ลึกรู้รู้มากเข้ามากเข้ามากเข้าพอจังหวาหนึ่งดูลมหายใจที่ท้องอ้ามันเกิดปิ๊งขึ้นมาแล้วก็มาตั้งสำโำที่จริงแล้ลึกรู้ตรงนี้มันก็เกิดรู้แจ้งเลยมั น, ก, นก็เป็นพองยุบขึ้นมาเริ่มต้นที่นี้นะบางคนดูลมหายใจดูไปดูมา ตั้งใจเล้วลึกรู้สติมันก็เริ่มอยู่มาเข้ามาเข้ามาเขาขอพอจังหวะหนึ่งเขามันก็เกิดปิ้งขึ้นมาแต่รู้อาการกายแต่บางคนกระดิกรูกประคานี่รู้สึกตัวอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆก็เกิดรู้แจ้งบางคนไม่ต้องเดินเล่นๆก็รู้แจ้งรู้สยู่ก็เกิดเป็นแล้วที่เดินจุกมลักที่ไหไรแต่เป็นเรื่องของอาการกายนั่นแหละทั้งหมดเนี่ยกายเวทนาจิตทำอยู่ในกรอบแบนี้คุณจะรู้สึกกับอะไรก็ได้นะรู้สึกกับอะไรก็ได้แล้วลึกรู้ บางคนเราลึกรู้รู้มากเขาันเขาเพราะสติอยู่กับตัวเองพอดีมองกับมาที่ตัวเองพิจารณาแต่หูจมูกดินกายใจดูความเป็นของไม่สวยไม่งามเดี๋ยวขาดเสลิดขาดน้ำลายแบบโอ้ล่างกายนี้มันสกรปรกขนาด น, นี้เนาะผมขนเล็บฟันหนังน อ, อยู่ๆก็สว่างวาบแจ้งโอ้โอันนี้เป็นรัติพิจารณากายเนี่ยพิจารณาสังเกตดูกายคือมีสติแล้วเราเราลึกรู้มีสติระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไปรู้แจ้งการรู้แจ้งมันจะปรากฏกับกับ จุดที่มันปิ้งเนะี่ยมันจะต่างกันแต่ไปจะไปยึดอวะนั่นคือวิปัสสนานั่นคืออาการครูบาอาจารย์เนี่ยส่วนมากจะไปยึดยึดทัศนะยึดอาการ น, นั้นว่าอันนั้นถกูกหรืออย่างไม่ก็เป็นโลโก้ของการการทำการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วแต่ใครจะเริ่มตรงไหนเน่าสำนักหนึ่งพิจรารณาเห็นลูกแก้ว ดูลูกแก้วเน่งสมาธิดูเห็นลูกแก้วอาเขาลุกสึกสบายใจเห็นลูกแก้วแทนที่จะให้เห็นทุกนะัสมาธิมันมีเห็นทุกดูที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยความปรุงแต่งเกิดขึ้นทันกลับให้ปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นนะเห็นกายเทวดาไหมเห็นอินเห็นพรหมไหมเห็นพระโสะดาบันไม่ในท้องนี่นะกายพระโสดาบันกายยากายละเอียดกายพระสกิทาการมีละเอียดนะ กายหยาบกายบรร翰เห็นไหมกายบรร翰ละเอียดกายพรร翰หยาบเ อ, อ้ามันเป็นความคิดทั้งหมดนะแต่เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไหลไปตามนั่นแหละนะในสี่สุดเคเห็นพระพุทธเจ้นานั่งอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าสกยมุนีนยังไม่ได้ตายเห็นไหมก็เริ่มเห็นนะ เห็นยมมาทูดไหมเริ่มเห็นยมมาทูดแล้วบาปกรรมเก่าที่เรามีเริ่มเป็นเริ่มเข้าสู่กระ บ, บวนการสะกดจิตละเราก็เริ่มไหลไปไหลไปไหลไปเนี่ยก็เลยไปแบบเนี้ยเรื่อยๆเรยๆสงบไหมสงบ น, น้อยนนี่เราก็ดีใจแทบตายแล้วเพราะเราไม่เคยสงบแต่สงบเพราะเกิดจากการดับกิเลสตัณหาราค้าไมไหมเฮียเนี่ยไม่ใช่แต่เกิดเพราะการสะกดจิตคือการชักจูงเงาอะชักจูง นั่งสนอยก็เอามาแล้วมันแต่ถ้าอันนี้มันสงบเกิดจากสงบจากม่วงอันเนี้ยสงบจากคิดสงบจากการติดอารมณ์จากฟุ้งซ่านเราเห็นว่าปัญหาชีวิตก็คืออันนี้แต่ไม่ได้สงบเพราะอยู่ๆก็ไปดักให้มันสงบลงไปในนั้นเลยไม่ใช่อันนั้นเป็นสงบแบบพรามณ์ที่เขาทาเพ่งดินน้ำไฟลมแต่ น, นี่พูดให้มันคล้องจองทำเหมือนนักจิตวิทยาทำมาเนี่ยแต่ไม่ใช่วิปัสนาวิธีการนี้มันจะไม่เกิดวิปัสนา แต่คนมันไม่เคยเห็นไม่เคยสงบไปนี้มันไปทําก็ประทับใจแล้วก็กลายเป็นสํานักประทับใจไปซะอะเนี้คือศาสนาพุทธสอนให้คนดับทุกข์ถ้าดับทุกข์แล้ก็ไม่เป็นศาสนาอลไรมันดับได้แล้วเนี่ยเหมือนให้กินอาหารในพอกินอาหารหายโรคหายโรคเราต้องไปโรงพยาบาลไหมไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปโรงพยาบาลมันหายแล้วนี่เหมือนกันน่ะ เรานับถือ菩萨สนาเพื่อจะดับทุกเราพอดับทุกได้แล้วเราไม่นับถือก็ได้นับถือก็ได้ก็เป็นธรรมดานับถือพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่นับถือก็ได้พระพุทธเจ้าจะเกลียดเราไม่ชังเราไม่ท่านว่าดีใจด้วยที่ดับทุกได้ไปเถอะไปเถอะออกไปพระเซนมีพระองค์หนึ่งอยู่เน่น mm hmm. ฟ้องอาจารย์ประจำไปพระองค์หนึ่งนี้เที่ยวตลอดเวลากลางคืนมันนิวเที่ยวแอบไปอยู่ใกล้กําแพงแล้วก็นุ่งกางเกงแล้วกไว็ไปเที่ยวไปเที่ยว พระในวัดหลาย อ, องค์เขมองเห็นเฮ้ยมันไม่เหมาะในแบบเนี้ยไปเตือนเตือนก็ไม่ฟังเลยยกพวกมาหาอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะออยังไงเนี้ยกับพระองค์นี้เนี้ยพวกผมให้อาจารย์เลือกอาจารย์จะเลือกมันหรือเลือกพวกผมถ้าอาจารย์เลือกมันก็อยู่กับมันไปสัแต่ถ้าอาจารย์เห็นว่าพวกผมเนี้ยเป็นคนดีมีศีลมีธรรม อาจารย์ยังให้พวกผมอยู่ช่วยเผยแผ่ศา ส, สนาอาจารย์ต้องไล่มนันหนีอาจารย์คิดให้ดีๆขึ้นเสียงนะอาจารย์ก็คิดเอาอย่างไงดีเนี่ยพวกผมเนี่ยดูดิทั้งวัดเนี่ย ไ, ได้ประชุมปรึกษาหารีกันแล้วให้อาจารย์เลือกทางใดทางหนึ่งมันควรจะจัดการซะบ้างคนเลวก็ต้องให้ จัดการกับคนเร็วคนดีก็ต้องเก็บไว้ประโยชุดดังั้นถ้าทำแบบนี้มันหมดหนีเที่ยวทุกวันทุกวันเนี่ยศาสนามันก็เสื่อมเลอาจารย์ฉันไม่ต้องคิดละ่ะเพวาเธอดีแล้วอาจารย์สอนพวาเธอมาพวาเธอเป็นคนดีมาระดับหนึ่งอาจารย์รู้สึกไม่ห่วงพวาเธอละพวาเธอไปเถอะแต่อาจารย์ แต่อาจารย์ห่วงเขาเขายังอ่อนเอมากเขายังหนีไปเที่ยวน่นไปนี่อาจารย์คงต้องเอาเขาไว้เพราะอาจารย์ต้องฝึกเขาทำให้เขาดีขึ้นไปที่ชอบที่ชอบแต่นะทั้งหมดน่ะมันเป็นความคาพูดแต่เรารู้สึกว่าส่วนลึกก็คือทิ้งไม่ได้สักคนแต่วิธีการสอนมันต่างกันเท่านั้นเอง จะให้อาจารย์เลือกอาจารย์เลือกแล้วเลือกทั้งหมดแต่ไม่เลือกทั้งหมดนะพอพูดต่นนั้นะเขาออดลงกราหาพระ อ, อาจารย์เลยช่วยกันประคับประคองพระหลังจากนั้นพระองนั้นได้ฟังอยู่ในนั้นตอนกินข้าวอยู่นะท่านพูดคําเนี้ไม่ไปเที่ยวสักวันเลยตั้งแต่นั้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยยังมีโอเนื้อยังนี้เที่ยวอีกเห็นอาจารย์ไม่พูดอะไรนะมันจะขโมยไป เขาเขมากระซิบไปอาจารย์โอ้อาจารย์ว่าอาจารย์รู้แล้วนะพวกนี้จะคืนนี้ฉันจะไปรับมันไปเที่ยวพอมามันเอาไม้พาดไว้ตรงนั้นตรงกระเบงมันจะปีนเข้ามาทุกวัน <c oughs> ปีนข้ามาเขาปิดประตูเหล็กไงเนี่ยปิดอาจารย์ก็ไปมันก็ามาพอปีนลงมาไม่รู้ยังไงนะพระองหนึ่งก็ไปรอรับให้เหยียบหลังลงงานอ่ะนะนะหเหยียบหัวลงมาอาจารย์ไปก็ออกไป อาจารย์ก็ให้ไปเหยียบแทนมันก็เหยียบหัวอาจารย์อาจารย์ก็จะทำหนุ่งับที่นี่อาจารย์มานะเนี่หว่าเหยียบลงมาเหยียบลงมานะพอเหยียบอาจารย์อาจารย์ไม่เคยโดนเหยียบพลาสทีท่าแต่ตเกิดมาโดนสิทธ์ชั่วนี่แหละเหยียบหัวลงมาเนี่ยและเหยียบลงมาอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักล้มลงไปล้มคุบกับอาจารย์นะฮเห็นมองนะหอาา น, น, ออออน้าอุ้ยอาจารย์นี่หว่าขอขอโปรดขออภัยนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกสนุกไหมไปเที่ยวนนะ พ่ออาจารย์อาจารย์ยังถามได้นู่นพกนี้มานะหลวงพ่อจะฝึกให้แข็งแรงแล้วจะมายืนให้ใหม่เม่ใชตั้งแต่นั้นมาก็เงียบไปเลยก็ไม่มีเขาก็ไม่ไปเที่ยวมันไม่จำเป็นต้องเอามาขึ้นทำโทษทาทันทั้งโน่นทำนี่นะแต่วิธีการเนี่ยให้มันยอมทั้งใจทั้งหมดเลยเนี่ยเขายอมหมดเลยยอมหมดใจเลยวิธีการสอนท่านเนี่ยแต่มันก็ใช้กับคนเฉพาะที่คน มันมีจังหวะของมันนะเขาเรียกว่าพวกเซนเนี่ยเขาจะสอนไปให้พลิกความคิดเลยพลิกพฤติกรรมแบบฉับพลันเลยการสอนแบบให้จิตมันตื่นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเซนตื่นเลยตื่นตัวเลยอืมแต่พวกเธอเนี่ไม่มีทางรู้ตามไม่ให้เหยียบหรอกดูแล้วมันเหยียบมันก็ไม่ตื่น ม, มันยากลำบากแต่จะเป็นแบบอินนางที่หลงตาว่า ยจูบให้หน่อยดิหลับจังโทรศมันมาทันทีอะแต่พอบอกให้จูบที่โมกเนี่ยโอ้โหมันตื่นพอมันนึกถึงหักออกทันทีนะอันนี้มันคือหมายเขามันกระแทกเข้าไปทั้งจิตแล้วให้เกิดการพลิกชีวิตมาเลยอะมันปานนั้นอะแบบนั้นอะได้มันต้องมีจังหวะมันโรตาเคยไปจับโยมโยมคนหนึ่งนะ แก่ได้ละอายุจะแปดสิแล้วมื่ไปปฏิบัติที่วัดหลตาว่าหลตาไม่รับไอ้คนแก่ๆมาปฏิบัติธรรมที่มันง่วงปัญหามันยากเลยเวลาไปพูดเนี่มันก็สอดขึ้นมานะท่านรู้ไหมว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงและมันแก่แล้วเนี่ยแต่านจะไม่บังคับให้มันเดินมันเดินไม่ได้นะท่านจะแก่ก็แล้วกันนะมันว่านะดูดิโอ้โหทีนี้ก็บอกว่าใหญ่หลับนะนนี่ก็หลับนั่งในไม้าหินในวัดสมนั้นหลับ ดวงตาเดินไปเดินไปจับหัวนะแก่แล้วนะผลักลงไปเลยตกลงไปเลยนะนะกลับมามองลงหน้าลงตาเอา้ามองหน้าทําไมวะหันก้นให้มองไ ม, มง่ไม่มองหน้านะตกลงไปนะหันกลับมามองตรงต า, าดูใจไม่รู้เป็นไงนะแกเกิดสว่างโลกมาหุ่ยสาบสินตั้งแต่นั้นาแกก็ไม่หลับ เออได้วันที่ห้าดีวกที่เจ็ดโอ้ยแจ้งแจ้งแจ้งว่าไม่รู้เกิดอะไรไมาเกิดสว่างเกิดแจ้งขึ้นมานะทีนี้ก็นั่งซาเจว่าไปต่อเห็นคนนั้นก็หลับคนนี้ก็หลับไปบอกเขามึงเป็นบอกให้หลวงตามาผักดิทําเหมือนกูนี่มึงเหมือนท่านเห ม, มือนมือวิเศษนะผักตกแล้วมึงมาแจ้งนแะล้วกูไม่เจ็บอนะไรนักกูแจ้งแนละ้นะวพวนั้นก็มาอีกสองคนหลวงตาไปช่วยหน่อยเถอะ ช่วยผักให้เหมือนยายคนนั้นหน่อยเขาว่าเขารู้แจ้งนะโอ้จะทําไม่ได้มีแต่จิตีนนี่แหละดีกว่าคนละเรื่องกันน่ะมันเป็นจังหวะของมันแต่การสอนแบบนี้มันจะเสี่ยงเสี่ยงต่อคนบางคนว่าเฮ้ยเป็นอาบัติได้เนี่ยมันเป็นยังไงเป็นอย่างไงนะแต่มันต้องอยู่จังหวะคือถ้าคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติทำเนี่ยมันจะดีมันจะง่ายแต่คนไม่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันมาเนี่ย มันมีงุ่นหงิดพอดีอารมณ์ฉุนเฉียวพอดีเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะความแปลความหมายของมันเนี่ยมันจะคนละอย่างนั้นพวกเซนเนี่ยเขาเราจึงมีเรื่องเวลาไปศึกษาตําราเสซนมันจะมีเรื่องแปลกประหลาดเล่าล่าขำขันแบบซึ่งรับไม่ได้เรารับไม่ได้พฤติกรรมแบบนั้นแต่คนปฏิบัติทําอย่างเราไปฟังได้เราเข้าใจเราอ่านเราศึกษาเข้าใจอนะอย่างที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่าอจาจารย์โน่หนึ่ง ท่า น, นอนอยู่ในกุฏิสายตาจารย์หนึน่งปฏิบัติทำไปถามตายแล้วเกิดนะ้อมันจะเกิดได้ยังไงวะปฏิบัติทำมาทั้งไปเป็นสานุสิ์ท่านก็ขานเข้าไปท่านอาจารย์คำว่าตายแล้วเกิดนี่มันเกิดยังไงบอกให้ปฏิบัติเองผมปฏิบัติแล้วมันไม่เข้าใจหรอกไม่เชื่อนะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยนี่มันเอ๊ยมันยังไม่เข้าใจอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรทีบประตู ตำหน้านี่ก็ะเทียบน้าหงาย ห, หลังมาเลยแต่ด้วยความรักความสถาทในอาจารย์ครานเข้าไปใหม่ยังไม่ถอยเนี่ยอามย์ว่าไปอ้าวเองปิดประตูลงก่อนแต่ออกมาสักพักหนึ่งก็ น, นึกได้อาจารย์เปิดหน้าต่างอยู่กูจะไปทางหน้าต่างนี่แหละอาจารย์นอนอยู่ข้างในก็คือปีนไปทางหน้าต่างอาจารย์ได้ยินนะ อาจารย์ก็ไม้เท้าจับกระแทกหน้าต่างเลยก็แทกหน้าล้มตึงตกไปนูสว่างแจ้งลงมาโอ้โหท่านศาสตราจารย์นี่ไปตั้งสํานักเหมือนกันนะ <c oughs> ตั้งสํานักอา้าวใครอยากรู้แจ้งเข้ามาทีละคนเอาตีนรอถีบหน้าต่างไว้โอ้ยอาจารย์ผมไม่เข้าไปเลยเขาว่ามันคนเอา้าฉันรู้แจ้งเข้ามาเพราะแบบนี้นะนี่นะมันก็เป็นแต่ก็รู้ได้เฉพาะท่านแล้วก็ดับไปแล้วก็ หายไปเลยนะคือไม่มีใครเรียนด้วยระบบแบบนั้นนะรับรองคือมันจะมันอะไรมันไปกระแทกกับท่านไอพุทธภาวะได้ให้มันตื่นเร็วแต่มันต้องกล้ามันมีเรื่องแบบอาจารย์เนี่ยต้นถีบกระแทกทั้งด้านหน้าเนี่ยหงายออกมานี่ ย, ยังจะเข้าทางหน้าต่างอีกให้ถีบอีกเนี่ยเราไม่มีมีแต่ว่าจะถือขวานนี่ยแหละเข้าไปหาอาจารย์ทีนี้ใช่ไหมอันนี้ท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นออท่านคงมีอะไรสักอย่างหน่อยกูไม่โกรธว่ะไปไหมเนี่ย ของเรามันไม่มีพุทธภ า, าวะแบบนั้นมันไม่มีไม่มีความศรัทธาสูงระดับนั้นน่ะทีนี้กว่าจะสร้างมบบน้ได้มันยากทั้งญี่ปุ่นเขายังมีหลักสูตรแบบแปลกนะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจารยวิยาวาัฒนเชื่ออาจารย์เนี่ยเดียวอย่าไปอยู่กับตำรับตำลาหนังสือนังสือไม่เกี่ยวเชื่อกูเชื่อกูเ ช, ช, ชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์ผู้สอนท่านมีศรัทธาต่ออาจารย์ส อ, อย่างเดียวเนี่ยมันรู้แจ้งเลยลนะพอพุทธภาวะมันอยู่แบบ มันไม่อิงตำรับตำราไม่มีอิงวิธีการไม่อิงไม่บิงอะไรแต่มันอยู่ที่เทคนิคของอาจารย์ที่สอนขนณะาานั้นถ้าเรามีศรัทธาดีๆเนี่ยมันก็เกิดการปิ้งขึ้นมาได้ในนั้นนะ่ะดนั้นเขาถึงอกว่าอาจาริยวาทแต่ของเรานี่เถรรวาดเถรรวาดก็คือเอาตามตำรับตำลานะนะตำรับตำราเรียบนะพระไตรปิฎกว่ายอย่างนั้นพระไตรปิฎกหน้าเท่านี้บรรทัดเท่านั้นอะไรประมาณนะ่ะมันต้อเป็นอย่างนั้นนะ่ะ อาจารย์โกวิทเขียมานันดานะปฏิบัติกับหลวงพ่อพุทธทาสสิบปีขึ้นไปอยู่พัจบพุททาสไปสอนธรรมะเดีวไปเจอหลวงพ่อเทียนท่านเป็นนักปรัชญาเนาะแต่หลวงพ่อเทียนไม่รู้เรื่องอะไรท่านไปถอสอนที่โน่นที่นี่ก็ให้หลวงพ่อเทียนไปด้วยใครๆว่าจะให้เพิ่มให้คนรู้จักหลวงพ่อเทียนมากขึ้นหลวงพ่อเทียนเป็นคนอย่างนี้นนเริ่มมีมา คนก็เริ่มเริ่มได้กินคุ้นหูมีหลวงพ่อเทียนแต่เวลาท่า น, สนแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเชตวันมหาวิหารกับนางประชาบดีกับนางสุจดาได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สสามหน้าสองร้อยหกบรรทัดที่สี่ข้อความพละกาบที่สองะไรประมาณโอ้โหจำดีมาก หลวงพ่อเทียนฟังโอ้โหมันติดตำรามากนะนี่ท่านฟังไปฟังที่ไหนก็มาแหละพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าอย่นี้ได้ตรัสไว้มากพอมาวันหนึ่งมากินข้าวด้วยกันฉันข้าวกําลังฉันไปฉันมาหลวงพ่อเทียนลุกขึ้นหลวงพ่อเทียนท่านไม่กินด้วยลุกขึ้นท่านก็ทิ้งช้อนจานท่านนะรูม้มั้ย ความดีมีอยู่ในตนไม่เอามาพูดลงบทเทมีมันมันเคยเบากูรู้วันที่ตอนนั้นธรรมะกูรู้แจ้งกูเห็นมาของดีนี่กูรู้แจ้งผมได้ตัดสรุปผมรู้แจ้งวันที่ตอนั้นไม่เอามาพูดไปพูดว่าพระพุทธเจ้ารู้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าตัดไปว่าจากพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน ตายไปแล้วสองพันกว่าปีแล้วยังจะมาพูดที่เจ้าพูดว่าไม่รู้ใครเขียนก็ไม่รู้ทําไมไม่หาเอาในตัวเองนะหรอมาพูดท่านมาอาจารย์โกวิดเอ้ากินข้าวอยู่ดีทําไมอาจารย์ครูเกิดอารมณ์จังนะคือตกใจนะในบทที่ท่านเขียนด้วยคําว่าครุปริทัศน์มองครูให้รอบปริทัศน์มองครูแบบรอบจัดครูผู้สอนที่จริงนี่คือต้องมองให้ครบ ครั้งกระบวนกันครูแท้ท่านพูดกําลังพูดว่าหลวงพ่อเทียนคือครูแท้ครูแท้คือรู้ว่าจิตติดอะไรนะ่ะสิทธิ์เนี่ยมันติดอะไรคือติดตําราเดี๋ยวนี้แล้วหลวงพ่อเทียนทําแบบนี้นะกินข้าวกินยังไม่ได้อิ้มเลยทิ้งไปความจริงมีอยู่ในเจ้าของบอกออมาเวา้าอจากปอพุรีเจ้าอยู่สิใดอปอบุรีเจ้ากล่าวไว้ว่าจางางังทันจังซีมันคือบอกเคยหาหาในเจ้าของข่องมันมีอยู่แล้วบอกออมาเวา้านะ ในตัวเองเนี่ยมันมีทำไมเขไม่ปฏิบัติทรรมกูรู้แจ้งวันที่นั้นผมตั้งแต่ผมรู้แจ้งวันนั้นนะจิตมันเกิดไปทําไมไม่เอามาพูดไปเอาพระพุทธเจ้ามากล่าวว่าทําไมใครไปรับรองพระพุทธเจ้าน่ะคุณรับรองได้หรือคุณรู้แจ้งตามเลยพูดไม่ได้สนใจนะท่านเป็นมองหน้านะท่านก็เดินไปหากินน้ําของท่านกระบนไปแบบนี้นะจุดไปอาจารย์โกวิทว่มามื่ตอนนั้นมันเกิดปรากฏการณ์อะไรก็ไม่รู้นะ คิดรู้สึกมันสว่างแล้วมันโหดหงสลดใจกับพฤติกรรมตัวเองหลังจากนั้นมาไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเนาะมันแจงพระพุทธเจ้ามึงงบไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยขึ้นมาเราไปอ่านดูหนังสืออาจารย์โควิดที่หลังว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่มีแต่เล่มก่อนๆจะมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ตรงนั้นไม่มีเลยมันนึกถึงภาพเนี่ยคือมันสะเทือนใจอย่างรุนแรงเลยตั้งแต่นั้นมันไม่เป็นนะ โอ้ท่านบอกว่าไม่มีใครกล้าเห็นจุดด่างของใจท่านตรงนี้หลวงพ่อเทียนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากกระแทกตัวนี้แล้วออกไปได้นี่เขาเรียกว่าสอนแบบเซนอันนี้สอนแบบเซนถ้าสอนไปนธรรมดาก็ญาติโยมทั้งหลา ย, ย, ายนะก็นิ่มๆธรรมดานี่แหละต้องใจปฏิบัตินะเป็นเรื่องของใครของมันบุญกุศลส่งสมไว้บา ร, รมีในภพชาติหน้า แล้วแต่ใครทำ ม, มากก็ได้มา ก, กได้น้อยทำน้อยก็ได้น้อยตั้งใจปฏิบัตินีจ้ะเนี่ยอันนี้คือมหานิกายอันนี้คือเทรวาสเราแห้ะไม่มีจะไปแต่ละทีก่กูโอ้ยกวเป็นนบัตเป็นหาโยมนี่กวเป็นนบัตเอาพระมาห้ารูปเดินตามไปด้วยสองรูปสามรูปไปสอบปรลมนี่ยเท่าั้นก็เป็นนบัตนะ แต่พอไปพูดกับคนนี้พวกนี้ติดอารมณ์อาจารย์มาสอนครูท่านคงจะพูดแบบนั้นแล้วเว้ยอาเอาไปมันมันยุ่งยากกระบวนการไปหมดเลยทีนี้อะไรแล้วมันก็ยุ่งยากลงตาไปเห็นพระไปอยู่กับพระสายพู้โตองค์หนึ่งกินข้าวในท้องปากเคียนนะท่านไม่ปากเคียนเป็นนาบัตนะวันหนึ่งไปบินธบาตมาโนะยมโยมแตะบาดมือเขาถูกบาทตอนใส่บาทมาแล้วก็เคสมากกลัวเป็นนาบัด กินไม่ได้ผูเ้เขีนมาแล้วก็มาตั้งบาตไว้ให้หลวงตาอยู่ด้วยกันสองงลวงตาราษาน้อยกว่าให้หลวงตาไปตามชาวนาที่กําลังไถนาอยู่ที่เราเห็นตรงนั้นมาประเคนใหม่โอ้ยหลวงตาว่ามันก็เมื่อยเลยเนาะว่าฉันเลยไม่ได้บอกว่าอาจารย์บอกกินเลยเนาเพราะเป็นนามบัตรนะพมันนั่นมันจะติดอยู่ในใจเราจะเป็นบาสนะเราจะไม่บริสุทธิ์เนี่ยแสดงอําบัติมันก็ไม่ตกนะเพราะม่าจิตมันคิดไภเดอะมัน ไปตามลูกตาก็ไปตามนะไปตามเขากำลังไถนาอยู่นะทั้งเพื่อนทั้งอะหลวงพ่อมาอะไรโอ้ยไปประคีบข้าวให้หน่อยเถอะว่าอยู่บนภูเขาโน้นนะว่าโอ้โหทำไมไม่ฉันเลยลูกตากขาเนึกว่ากัมานะเฮ้ยทํำไมไม่ฉันเลยอะ่ะมันก็ใช่ของเขานะ่ะไปบินจ บ, บารดขอมาได้เลยยังมายุ่งกับโยมอีกแล้วสขาด่าไม่ได้ยุ่งเลยโยมเฮ้ยอาจารย์ท่านช่วยหน่อยไปเถอะโยมจะได้บุญกุศลมากนะเอาเริ่มเลยที่ น, นี่ต้องเอาบุญมาล่อละ ดำ บ, บุญกับพระพระท่านเคร่งมากหลวงพ่อท่านเพ่งธรรมะก็ศรัทธาท่านเรียนน้ตามโยมไปพายุแกวขอสักพักนะถ้าผมไปนี่เผื่อผมลงมาเนี่ปกติผมจะไถานาแต่เช้าโอบอกไถานาเนี่ยไถยตอนเช้าเพื่อจะไถเสร็จก็สองโมงสามโมมันก็จะได้หลายหลายอะไรพอดีแต่ถ้าผมปล่อยควายแล้วผมวางไว้ตอนนี้ผมต้องเอาควายผมไปผูกไปก่อนแล้วเอาย้าให้มันเรียบร้อยก่อนผมต้องไปอาบน้ําล้างตัวก่อนนะจะไปหาพระเนี่ย แล้วผมกลับลงมาเนี่ยมันไปประมาณสักว่ามันจะสาร ม, มงกุฎีเนี่ยไปกลับเนี่ยแล้วใครจะเฝ้าควายผมเนี่ยเกิดคนขโมยลงตาเขาโอ๊ยตมาเฝ้าเนี่ยไปยุ่งกี่เดือนแววะอ้ตมาเฝ้าควายให้เอาไปว่าไปประเคียนก่อนแล้วลงมาระหว่างครึ่งทางเลยเจอกันนะคือมองเห็นได้เขามาแล้วลงตา ก, ก็จะปล่อยควายเขาละลงตา ก, ก็จะไปโอ้ยกว่าที้กูดจะเอามายมยมไปประเคียนนี่ได้เฝ้าควายให้เขา พ่ออะไรพ่อหลวงพ่อท่านยึดมากไงหลวงตาเขาเอาพระโเขียนก็กะเขาเดินมาเห็นกันละเนะเาะเขาเดินมาแล้วประมาณสามโมงนี่แหละนะไปบินบาตมา ก, ก็สองโมงกว่าแล้วสองโมงนี่แหละเผื่อหลวงตาเดินลงมาอีกท่านขึ้นไปอีกแล้วก็เฝือกลับลงมาอีกนะ่ะเราก็อยู่ตรงนั้นเฝ้าควายเขา ผมรู้จะยังไงกลัวเขาไม่เริม่มไสตอนนั่งเฝ้าควาย น, นั่งสมาธิถ้าควายชนกูจะตายพอดีแลยเนะาะมันาะต้องหลับตาดิแต่ก่อนเอาควาหลับตาพอเขามาโยมเกมาเราก็ยังไม่เห็นเลยเกมานเะขามาเกก็โอ้มาแล้วเนาะเราก็เหมือนกันจนลุกออกมาอย่ า, ยาโยมคงจะได้บุญมากนะอย่างนั้นนี่เงี้ยได้บุญมันได้อยู่ไงแล้วครับแต่ต้องเสียวเวลาไถนานี่ยแล้วแกว่า เสีเวลาไถนาแกยังได้ไถนาเนอแกไม่อยากได้บุญน่ะกก็มาไถนาแกหลวงตาเอาขึ้นไปไปหลวงพอ่อหลวงพอ่อท่านเพ่งนะท่านยังไม่ฉันนะท่านก็รออยู่แล้วไปท่านก็บอกว่านี่คุณหลวงพ่อรับให้แล้วท่านรับให้แล้วบาทเราก็ให้คนนั้นเขียนประเคียนให้แล้ววางอยู่นั่นแหละเขาไปนั่งฉันนะ ไปนั่งฉันวันไหนนั่นก็จะคิดลงตาบินถวันโอ้ยโยมอย่ามาแต่บาตรหลวงพ่อเถื่อวะเวลาโยมใส่บาทแล้วก็โอ้ยโยมพยายามนะอย่าให้แต่บาตรหลวงพ่อนะอูจะไดม่เฝ้าควายเขาอีกแลยนะเนี่ยมันถ้แต่บาตต้องไปตามเขาอีกมันก็ยากลําบากเขากพยายามตั้งใจใส่แล้วก็คิดอยู่เรื่อยๆ อ, อาบัตเนี่ยอาบัตเนี่ยมันทำให้ยุ่งยากนะมันยุ่งยากแต่ถ้า คนที่มันจิตมันพล่องจิตมันไม่เต็มเนี่ยมันก็จะมักง่ายมันก็เนิรกถึงเพาะมันทุกข์เพราะอวบัติเนี่ยแหละทุกข์เพราะการปะเขียนเนี่ยมันก็ใส่ใจเรื่องการปะเขียนอยู่เรื่อยๆจนเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเรื่องอังปะเขียนก็คือแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันเข้าใจต้องปล่อยต้องอะไรยังไงคือจิตมันทุกข์เพราะอะไรมันก็จะจะพินิจพิเคราะห์แต่เรื่องนั้นเน่ยนะแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้พินิจพิเคราะห์ด้วยเหมือนเราที่ว่าเนี่ยนะ ท่านทําตามวินยัยเปียบอันนั้นก็เป็นวินยัยอันนี้ก็วินยัยต้องระเบียบวินยัยต้องระเบียบวินยัยนะไปบิณฑบาตมาก่อนฉันอาหารเอาละสพัพพตาอปาติโยโลเจมิสพัพพตาก่อนขันนะแล้วตอนทำวัดเย็นก่อนทําวัดก่อสัพพตาอปาติโยโลเจมิแสดงอบัตตลอดแสดงอบัตรตลอดเต็มไม่ปล่อยวางห <c oughs> ลวงตาไม่เคยพูดในฝฟังนะหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงตาเป็นใครล่ะ เพราะว่าปศึกษามาหลากหลายนะแต่มาดูย้อนหลังก็คือก็ได้ประโยชน์จากท่านมากมายหลากหลายแล้ะแต่ว่ามันเหมือนอยาาพูดว่าไม่รู้แจ้งนะหรือรู้แจ้งแต่ท่านยึดติดเป็นเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่พูดไม่วิจารณ์แต่ว่าเวลาเราฟังดูปัจจุบันมันเป็นเรื่องขำขันไปแทนที่จะเป็นเรื่องปัญญาถ้าไปเขียนเราบทความไปทีละน้อยทีละน้อยนึย่ง คุณ ห, หมั่มเอาไปเป็นบทละครแน่ๆเลยเนะี่ยเอาตั้งหอวตั้งใจนาะยอย่าโยมตอนนี้ก็จะได้เวลาเจยแล้วต้องปูกเข็นเะน๊ะเปล่าเข็นสมัยก่อนเขาไม่ให้ปูกเข็นก็คือพระมักง่ายพระมักง่ายไปบินทบาทกามากัอย่างมาเลยตั้งไง มีสมัยหนึ่งแต่ก่อนก็ไม่ประเค้นแต่ก่อนพระเนี่ยกินอาหารเนี่ยบินบาตตอนเย็นก็ได้คือพระแต่ก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไปบินบาตมันลําบากมากบินได้ไม่ได้ตอนเช้าก็บินบาตรตอนเย็นก็พอได้แต่เขาจะฉันเฉพาะมือเดียวที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองจริงๆนะอบางทีไม่มีคนใส่ใหนนั้นะตอนเช้าก็ตอนบ่ายก็ไปถึงหมู่บ้านนั้นก็ขอข้าวแล้วก็ทําความเพียรอย่างนี้แหละ แต่ต่อมาเนี่ยพระมันกินทั้งเช้าทั้งเพลนน่ทั้งเย็นเนี่ยอืมก็ยากลำบากท่านก็เลยบอกว่าเออต่อไปเนี่ยให้มันมื้อเดียวนะมื้อเดียวไม่เกินเวลาสิบสองนาฬิกาเนี่ยถ้า่างนั้นถือว่าเป็นเวลาวิการแต่ตอนคําเวลาทานอาหารก็จะมีความรู้สึกว่าบางคนมันไปบินสบายลมันไม่ได้ตอนคาตอนเย็นตอนเพลนนี่ยเขาแต่เขารู้สึกว่า มันมีป่าช้าอย่หนึ่งที่คนเอาลกูกเอาหลานเอานั้นเอานี้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นบ่อยๆแล้วป่าช้ามันใหญ่มาก hmm. คนคนเขาไม่ทําบุญกับนักบวชพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะเขาไม่รู้ว่านี่เนื้อนาบุญนะผู้ใจบุนเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกอนุตตรังคุณญจเกตทางโล ก, กัสสะนะ hmm. แต่สมัยก่อนเขาไม่เป็นแบบนั้นก็เลยไป อา้าทำไงอตื่นชามาเขาเอาแล้วเขาพี่อยู่ปีโตไปแล้วคนชายเขาเอาไปวางตัวนั้นพิธีสารถะวันนั้นวันนี้วันทำบุญทำทานวันอะไรเขาเขาจะไปไปวางคือตามไม้แป้นที่ตั้งนั่นแหละเขาตั้งไว้ใส่ห่วใส่เล็กข้าวเล็กข้าวน้อยข้าวจงข้าเจเลยบห้าว่าไปให้ญาติเขากินตามประชานะเขาไม่มีาศาสนานะนะ แต่เขาไปรวมฝังรวมเผารวมอะไรกองไว้เจนั้นกระจายเต็มไปหมดนะแต่เขาไม่ได้มีพระนะพระนี่ไม่ได้ทําพิธีเอโนุเนนีนะเพราะว่ามันมันเกิดใหม่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพูดศาสนาเลยพระเราก็เลยไปอยู่ตามป่าช้านะั้นไม่บินถวัลย์ละเขามาตั้งไว้ในใบตองในอนุนนีแล้วเขากลับแล้วก็เราก็เจริญละฉัน ก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆก็ทำนานอยู่เป็นวันเป็นเดือนน่ะแต่พอเอื่อนว่ากลุ่มนี้ออกไปกลุ่มนั้นมาแล้วมันเห็นพระเดินจงกรมอยู่พอยมกลับแล้วก็ฉันฉันให้ก็เดินจกกุกรมนะสมัยพุทธกาลนั่นเนี่ยคนนั้นมาเห็นเอา้าพระสงฆ์สมณะในศาสนาเนี่ยมากินของทานเราได้ยังไงกินของที่เราอุทิศให้การันตนาผลให้กับญาติเราที่ตายเนี่ยโอ้มันไม่เหมาะสมนะแบบนี้นี่เราไม่ได้ตั้งใจให้พระสงฆ์น่ะเนี่ยเราให้ญาติเราอะ โยมมาตะมาก็ฉันเล็กๆน้อยๆอยพออยู่ได้อยู่ได้ก็ไม่ได้แล้วญาติที่ตายนี่มันจะกินอะไรล่ะถ้าท่านกินหมดแล้วเนี่ยเริ่มมีวิวาถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาอันนั้นอันนี้เริ่อ ม, มันก็เริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นจู่ก็ต้องมหาพระพุทธเจ้ามาบอกพระเจ้าพระในสาคยาบุตรของท่านเนี่ยสมณะทั้งหลายเดี๋ยชอบไปกินอาหารในป่าช้าชอบกินของที่เขาไปทานให้ญาติพี่น้องเขาเนี่ยซึ่งไม่ได้มอบให้ท่าน อย่างนี้จะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ยังไงโอของโยมโยมเขไปทิ้งแล้ไม่ใช่เหรอนะของให้ญนะาติยาโยมทานแล้วคือบางทีก็หาให้เขาทานคือเอาไปวางไว้ได้ชั่วโมงสองาชั่วโมงสี่หชั่วโมงจน ถ, ถึงเวลาแล้วก็คิดว่าญาติมากินแล้วล่ะแล้วตอนเขากินเสียกินเลยไปไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยไม่เหมาะสมข้อเรีนว่าไม่เหมาะสมเรื่องแบบนี้แล้วเอาอยัางไงล่ะถ้าไม่ได้ใส่มือให้เนี่ยกินไม่ได้ ท่านตั้งกติกานี้ได้ไหมเราไม่ได้เอาให้ด้วยใจอ่ะอ๋อก็คงจะดีกับกับสาวกเรานะต่อไปเนี่ยเราขอบัญญัติว่าการที่คนยังไม่ได้ประเคนใส่เหมือให้ถือว่าไปกินเลยถือเป็นอาการแห่งลักขโมยถือว่าเป็นอาบัติเป็นความด่างพลอยของพรหมชาญ น, นะไม่เหมาะไม่สม อ, อ้าวอานนท์ ประกาศออกไปสมณะเรากลุ่มเราทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่โน่นที่นี่นะบอกเขาว่าต่อไปเนี้ถ้าอาหารใดไม่ได้ประเคียนใส่มือถ้าไปฉันล่วงลําคอลงไปถือว่าเป็นอาบัตนะต้องรับประเคนประเคียนคือต้องรับการถวายคือยินยอมพร้อมใจถวายให้สาธุภัยด้วยมือจริงๆนะพระจึงจะถือว่าฉันได้ถ้างั้นก็ถือว่าเป็นการขโมยถือว่าเป็นอาบัตนะเป็นอาบัตทุกกฎ น่นแตะนั้นมาก็เลยต้องประเคียนประเคียนถ้าไม่ประเคียนก็ไม่ได้ละอา้าต่อไปนี้เราก็จะได้ไปประเคียนละ